ดานพรท่านพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้มีจิตใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่ยี่สิบห้ามีนาคมพุทธศักราชสองห้าี่สหเป็นวันพระเป็นวันธรรมัสวันะเป็นวันฟังธรรม ในระยะนี้ญาติยมคงจะเห็นว่ามีจำนวนพระเนนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากก็เนื่องมาจากว่าเป็นช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนจึงมีนักเรียนของโรงเรียนผู้รู้ยอส อ, สอในพระบรมมัสังคราชูปธรรมได้บวชบรนประชาเป็นสัมมาเน สิบห้าวันด้วยกันจะอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัดจนถึงวันที่ย7สิบ็แล้วก็มีอีกคณะหนึ่งก็เป็นข้าราชการตำรวจตะเวนชายแดนก็ได้บรประชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชาุศล์แด่สมเด็จพระเทพระัฐนราชสุดารสยารมรลมราชกุมารีเนื่งในวโรกาศ วันวันจะวันจเจริญวันวันราชวันราชสมภพของของท่านก็บวชกันที่วัดบวรนิเวศเสร็จแล้วก็เดินทางมาศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัดยาสังวรารามแห่งนี้และจะอยู่ไปจนถึงวันที่หนึ่งเมษายนก็จะเดินทางกลับกรุงเทพมานครต่อไป การบวชในสมัยนี้กับการบวชในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีความแตกต่างกันพอสมควรเพราะในสมัยพุทธกาลนั้นท่านบวชกันแบบถาวรคือบวชแล้วไม่สุดบวชเพื่อมรรคผลนิพพานบวชเพื่อความพ้นทุกข์แต่ในสมัยปัจจุบันนี้การบวชส่วนใหญ่จะบวชเป็นเพื่อ เป็นครั้งเป็นคราวเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งสิบห้าวันบ้างเดือนหนึ่งบ้างพรรษาหนึ่งบ้างถ้าเปรียบเทียบการบวชเหมือนกับการนำเสื้อผ้าไปชำระล้างไปซักการบวชชั่วคราวก็เหมือนกับเอาเสื้อผ้าใส่เข้าไปในกาละมังแล้วก็ตักน้ำใส่เข้าไปน้ำยังไม่ทันเปียกเสื้อผ้าทั่วไป ก็ยกขึ้นมาบิดๆแล้วก็เอาไปตากแล้วอย่างมากก็ได้เพียงแต่ระดับกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาให้เบาบางออกไปบ้างแต่ไม่ได้สามารถที่จะกําจัดคราบสกปรกที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าได้ในทางตรงข้ามถ้าบวชแบบในสมัยพุทธกาลคือบวชเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรม เพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเพื่อการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อความพ้นทุกข์นั้นก็ต้องแบบซักผ้าแบบว่า <c oughs> เอาเสื้อผ้าใส่ไปในภาชนะคือกรลมังแล้วก็เอาน้ําใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ใส่ผงสักฟอกเข้าไปหลังจากนั้นก็ต้องมีการขย่มมีการมีการถูมีการขัดจนกว่า เสื้อผ้าชิ้นนั้นจะสะอาดหมดจดนี่ก็คือลักษณะของการบวชในสมัยพุทธกาลท่านบวชเพื่อขัดกลว์สิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นมลทินทั้งหลายคือกิเลสตัณหาเพราะท่านเหล่านั้นรู้ดีว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีพิษมีภัยที่จะเป็นเครื่องขัดขวาง ความสุขความเจริญนอกจากกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของของสัตว์โลกทั้งหลายผู้ใดก็ตามถ้าปรารถนาะความสุขความเจริญความไม่มีความทุกข์อย่างแท้จริงต้องหันเข้ามาทําการขัดเกลาจิตใจของตนชําระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความน้ง ความอยากต่างๆเช่นความอยากในการมความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นให้หมดไปจากจิตจากใจเท่านั้นแหละจึงจะพบกับความสุขที่แท้จริงดังที่พระพุทธเจ้าและพระอารหันตาสาบุกทั้งหลายได้บรรลุถึงนั่นก็คือความบริสุทธิ์ของใจใจถ้าได้ครับการชำระด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วใจย่อม ก้าวสู่ความสะอาดบริสุดธิเป็นใจที่ปราศจากกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองเท่าายทั้งหลายได้นั่นแหละคือจุดหมายปลายทางของการบวชในสมัยพุทธกาลถ้าเราศึกษาดูถึงบุคคลแรกผู้ที่ขอข อ, ขออุปสมบทกับพระพุทธเจ้านั้นเราจะเห็นได้ว่าท่านขอบวชหลังจากที่ท่านได้บรรลุ ทำแล้วท่านได้ท่านได้บรรลุปเป็นพระ อ, อริยบุคคลเบื้องต้นคือได้เป็นพระโสดาบันแล้วนั่นก็คือพระ อ, อัญญาโกนทัญญาหนึ่งในปัญจลกีทั้งห้าหลังจากที่พระบรมศ า, ศาสดาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระปฐมเทศนาแสดงถึงพระ อ, อริยสัจ ส, สี่และมักที่มีองค์8ปด ให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้ฟังหลังจากเสร็จสิ้นแห่งการแสดงธรรมเทศนาหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นคือพระอัญญาณโกนทัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้แปลงวาจาออกมาภายในใจว่าธรรมันไดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา คือเห็นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดารวมทั้งร่างกายสังขารของเราก็เป็นเะนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายเป็นธรรมดามีการพลาดพลาจากขังรักของชอบเป็นธรรมดา <c oughs> เมื่อเห็นดังนั้นใจก็ปล่อยวาง ในการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะรู้ว่าโลกนี้นั้นเป็นเพียงแต่โลกเป็นโลกที่อยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นเหมือนทางผ่านเหมือนกับศาลาหลังนี้ที่พวกเราทั้งหลายมารวมตัวกันอยู่ในขณะนี้เราก็รู้ว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่รวมกันไปตลอดเดี๋ยวเสร็จจากภารกิจแล้วเราก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไป เราจึงไม่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าพวกเราทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกันในสาราในสารา น, นิสาลานี้ไปตลอดเมื่อเป็นดั้นเป็นเช่นนั้นเมื่อถึงเวลาที่เราต้องแยกย้ายกันไปเราก็ไม่มีความเศรา้าโศกเสียใจเพราะเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในการที่จะต้องอยู่ร่วมกันในสาลานี้ไปตลอดเวลานั่นเอง นี่คือลักษณะของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเมื่อเห็นอนิจจังสภาพของความเป็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แล้วก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางใจก็มีความเบา อ, อกเบาใจไม่มีความวิตกกังวลกับการพัดพรากจากกันไม่มีความวิตกกังวลกับความแก่ความเจ็บไข้ความตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา นี่ก็คือการบรรลุธรรมในเบื้องต้นหลังจากที่ได้บรรลุธรรมแล้วพระอัญญาณโกนธัญะก็ขอประทานอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานด้วยการกล่าวคาว่าเอหิภิกุจงมาเป็นภิกษุเถิดเธอจงมาเป็นพระภิกษุเถิดมาปฏิบัติธรรมที่ตถาคตได้แสดงไว้ดีแล้ว เพื่อการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายนี่ก็คือลักษณะของการบวชในสมัยนั้นระยะเบื้องต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ผู้ที่จะบวชนั้นมักจะบรรลุธรรมเสียก่อนจึงขอบวชกั น, นเมื่อท่านบวชแล้วท่านก็เร่งปฏิบัติธรรมต่อไป จนกระทั่งบรรลุถึงธรรมที่สูงสุดคือพระนิพพานเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้ที่สิ้นกเกล็ดไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่ในสมัยนี้เราบวชกันแบบเ ป, เป็นพิธีเสียมากกว่าหรือระบวดเพื่อที่จะทดแทนบุญคุณบิดามารดาหรือถวายเป็นพระราชกคุศลแด่ผู้หลักผู้ใหญ่ ก็เป็นการที่ดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรเพียงแต่ว่ามันยังไม่ดีพอมันยังไม่สามารถที่จะทําให้จิตใจเราหลุดพ้นจากกองทุกได้ไม่สามารถกําจัดกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างจริงจังแบบไม่มีกําหนดเวลาคือจะ หยุดการปฏิบัติก็คือมีอยู่สองลักษณะเท่านั้นถ้าไม่บรรลุธรรมเป็นพาาระอรหันต์ขึ้นมาก็ต้องตายจากความเป็นมนุษย์นี้ไปเท่านั้น mm hmm. นี่ก็คือลักษณะของผู้ที่บวชในสมัยพุทธกาล ท, ท, ท่านบวชท่านบวชอย่างถวายชีวิตพลีชีพเพื่อทำดังตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าไม่ให้เห็นอะไรที่มีคุณค่า มีความสำคัญยิ่งกว่าธรรมสงสอนให้สละเอาสวาสละทรัพย์สินสมบัติเงินทองสละเอาวัยวะสละแม้แต่ชีวิตเพื่อรักษาธรรมเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะประเสริฐเท่ากับธรรมผู้ใดมีธรรมอยู่ในใจแล้วผู้นั้นเป็นผู้ที่ปลอดภัยหลอดจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเอง ผู้ที่มีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายขนาดไหนก็ตามจะมีตำแหน่งมีฐานะยศถาบรรดาศัตว์ถึงเป็นพระมหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นผู้ <c oughs> ผู้บังคับบัญชาการระดับต่างๆก็ตามเหล่านี้ยังไม่มีความอิสระที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นอกจากไม่หลุดแล้ว ฐานะต่างๆเหล่านี้กับทรัพย์สมบัติเงินทองก็ของเหล่านี้กับเป็นตัวกดดันเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้มีมากเพิ่มยิ่งขึ้นไปเสียอีกโดยที่ผู้ที่มีสิ่งเหล่านี้หารู้สึกตัวไม่เนื่องจากถูกความหลงโมหะครอบงาใจนั่นเองทําให้เห็นความทุกข์เป็นความสุขคิดว่าตนเองมีอํานาจวาสนา สามารถจะทำอะไรก็ได้แต่ลืมหันมามองอยู่ที่ใจของตนว่าใจของตนในขณะนี้เป็นธาตุของกิเลสตัณหาถูกกิเลสตัณหาคอยข่มขี่บังคับให้มีแต่ความว้าวุ่นขุ่นวัวมีแต่ความทุกข์ใจจนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่เพราะว่าไม่เคยสนใจที่จะหันมาดูที่ใจของตนนั่นเอง มัวแต่มองไปภายนอกจึงทำให้คิดว่าตนเองนั้นมีความสุขมีอำนาจวาสนาแต่แท้จริงแล้วตนเองนั่นแหละเป็นทาตของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของตนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาธรรมไว้เพราะถ้ามีธรรมอยู่ในใจแล้วธรรมนี้แหละจะเป็นตัวกาจัด เป็นตัวทำลายกิเลสตัณหาผู้เป็นเจ้ากรรมในเวรของใจเราเป็นผู้สั่งการให้ใจไปก่อกรรมทำเวรไปสร้างความทุกข์ให้กับตนและกับผู้อื่นแบบไม่รู้จักจบจากสิน้นสิ้นจากพบนี้ก็ไปต่อพพหน้าก็ทำเหมือนเดิมอยู่เพราะตราบใดถ้ายังมีกิเลสตัณหาอยู่ภายในใจ กิเลสตัณหานี้ก็จะออกฤทธิ์ออกแสดงบทบาทของตนอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตามจะเป็นถึงพระมหากษัตริย์หรือเป็นขอทานข้างถนนถ้ามีกิเลสตัณหาอยู่ในใจมันก็จะต้องแสดงฤทธิ์ของมันออกมาอยู่เสมอแสดงออกมาด้วยความโลภด้วยความโกรธแสดงออกมาด้วยความอยาก ด้วยความบ้าอำนาจต่างๆนานาเหล่านี้เมื่อมีอยู่ในใจของผู้ใดแล้วย่อมพาใหผ้ผู้นั้นต้องไปสร้างเวทสร้างกรรมทําบาปทํากรรมแล้วก็ต้องรับใช้ผลของกรรมนั้นทั้งภายในใจและภายนอกใจคือที่ร่างกายในใจก็มีแต่ความว้าวุ่นขุนโมว ที่ในกายก็ต้องมีคนคอยมาทำร้ายมามามาสร้างเวรสร้างกรรมต่อไปนี่แหละคือลักษณะของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจดัลบดดาพระสาวกทั้งหลายในอดีตในสมัยพุทธกาลหลังจากที่ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วจึงเห็นโทษของกิเลสตัณหา และก็เห็นว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะเอาชนะกิเลสตัณหานี้ได้นั่นก็คือการศึกษาปฏิบัติธรรมตามตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จะศึกษาปฏิบัติในฐานะไหนก็ก็ทำได้เป็นคารหัดผู้ครองเรือนก็สามารถศึกษาปฏิบัติธรรมได้จะเป็นบนรรพชิตนักบวชก็ศึกษา ปฏิบัติทรรได้ส่วนใหญ่ก็จะศึกษาปฏิบัติธรรมในฐานะค า, า, ารวาสกันไปก่อนแต่หลังจากที่ได้เจริญธรรมขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดความฉันทะที่อยากจะปฏิบัติให้ได้ทำสูงยิ่งขึ้นไปก็จะเห็นว่าฐานะของคารหัดผู้ครองเหลือนั้นมีข้อจํากัดเพราะจะต้องมีภารกิจอย่างอื่นที่จะต้องทํา เช่นทำงานทาการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงครอบครัวซึ่งเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญทำอย่างยิ่งจึงต้องตัดสินใจสละสมบัติเข้าของเงินทองสละบุคคลต่างๆเช่นสามีภรรยาบุตรทธิดาแล้วก็ออกบวชเป็นบรรพชิตต่อไป นั่นหละก็คือการเจริญก้าวหน้าของการศึกษาปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้ในเบื้องต้นต้นไม้เราก็เพาะไว้ในกระถางและเมื่อเราเลี้ยงต้นไม้ด้วยการทำุูบำรุงดูแลด้วยน้ำด้วยดินด้วยปุ๋ยอย่างต่อเนื่องต้นไม้นั้นก็เจริญงอกงามจน ก, กระทั่งทาให้กระถางต้นไม้นั้นแตกออกไป พอลากนั้นต้องขยายตัวออกไปจึงมีความจําเป็นที่จะต้องย้ายต้นไม้นั้นออกจากกระถางเพื่อเอาลงดินต่อไปเพื่อต้นไม้จะได้เจริญเติบโตเป็นไม้ใหญ่ได้ถ้าปล่อยไว้ในกระถางต้นไม้ก็ไม่มีทางที่จะทำให้ต้นไม้นั้นจเจริญ ง, งอก ง, งามใหญ่โตเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาได้จึงต้องย้ายออกไปแล้วเอาไปลงในดินอีกทีหนึ่ง การปฏิบัติการศึกษาธรรมะตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็เป็นเช่นนั้นก็ต้องศึกษาจากฐานะที่เป็นคาววดไปก่อนแต่เมื่อหลังจากได้นำไปปฏิบัติแล้วจิตใจมีความเจริญรุ่งเรืองไปเจ็ดมีความสงบมากขึ้นไปเท่าไหร่ ก็จะเกิดความลำคาญกับสิ่งต่างๆรอบตัวเองเมื่อก่อนนี้สมัยที่ไม่ได้ปฏิบัติสมัยที่จิตใจยังไม่สงบนั้นจิตใจจะถูกกิเลสคอยผลักดันให้ออกไปหากามมัสุขคือหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเช่นออกไปเที่ยวไปดูหนังดูละครไปหาความสุขกับบุคคลต่างๆไปหาความสุขจากการสัมผัส เสพยาเสพติดเสพสุรายาเมาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการมาสุขทั้งสิน้นแต่ถ้าได้เริ่มปฏิบัติทำทําจิตให้สงบด้วยการนั่งทําสมาธิในเบื้องต้นก็าสวดมนต์ไปในใจเสียก่อนด้วยมีสติให้และลึกรู้อยู่กับบทสวดมนต์ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆอย่างนี้ก็เป็นการทําสมาธิในเบื้องต้น เมื่อสวดไปเรื่อยๆแล้วจิตจะก็จะค่อยๆสงบลงความคิดปรุงแต่งต่างๆความฟุ้งซ่านอารมณ์อยากต่างๆก็จะค่อยเบาบางลงไปถ้าทําให้จิตรวตมตัวลงสงบเป็นหนึ่งได้คือปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทธ์อารมณ์ต่า ง, างๆที่มีอยู่ภายในใจได้แม้แต่เพียงชั่วขณะหนึ่ง ก็จะสัมผัสกับความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนในชีวิตเลยเป็นความสุขที่เลิศเป็นความสุขที่ประเสริฐที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าสุขใดในโลกนี้ไม่มีความสุขใดจะเสมอเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเรียกว่าสันติสุข เกิดจากการบำเพ็ญจิตภาวนาเจริญสมาธิภาวนาด้วยการควบคุมจิตใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับธรรมะบทใดบทหนึง่งเช่นบทสวดมนต์หรือการบริกรรมคำว่าพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปในใจถ้าทำได้อย่างต่อเ น, นื่องแล้วรับรองได้ไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะรวมลงเป็นสมาธิเมื่อจิตรวมลงเป็นสมาธิแล้ว จิตก็มีความอิ่มมีความสุขมีความพอเมื่อจึงเกิดความลำคาญเวลามีอะไรต่างๆมากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อก่อนนั้นมีแต่อยากจะแสวงหารูปลดเสียงกลิ่นลดผดพลาดต่างๆเพราะใจมีการมตัญหาเป็นตัวคอยผลักดันให้ออกไปแสวงหาให้ไปกว้านเอามาเสกแต่เมื่อตัวการมตัญหาถูก ระ ง, งับดับลงไปด้วยพลังของสมาธิความอยากในรูปลดเสียงกูกเสียงกินลดโผฏฐาภะต่างๆจึงหายไปแทนที่จะมีความดีใจสงใจเวลาเปิดดูโทรทัศน์ไปฟังเพลงไปเต้นแล้งเต้นกากินเหล้าเมายากลับเห็นว่าเป็นเรื่องเลวไหลเรื่องไร้สาระเรื่องของคนโง่เขลาเบาปัญญา คนที่ยังไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหนนั่นเองโมแต่ไปวิ่งตะครุบเงาตัวของเงาตัวตัวที่เป็นต้นเหตุของเงากลับไม่จับมันถ้าจับมันแล้วทุกอย่างก็จบลงเหมือนเราวิ่งตะครุบเงาตัวเราเองต่อให้วิ่งไปจนมันตายก็ไม่มีทางที่จะตะครุบเงาเราได้เพราะเงามันจะต้องทอดไปข้างหน้าเราอยู่เสมอเราก็ต้องวิ่งไล่จับมันไปพอเราวิ่งไปเงามันก็วิ่งไปข้างหน้าเรา เพราะเงามันออกมาจากตัวเรานั่นเองความสุขต่างๆที่เราแสวงหานั้นมันก็มีอยู่ในใจของเราแล้วแต่เราไม่รู้เราถูกกิเลสตัณหาหลอกให้เราออกไป ห, อกกปหาความสุขภายนอกเราก็วิ่งตะคุบหาความสุขภายนอกยิ่งวิ่งหาความสุขเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแต่ความทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นเพราะว่าเวลาไปหาความสุขภายนอกนั้นมันต้องใช้เงินใช้ทองแล้วเงินทองมันก็ไม่ใช่ ที่จะตกลงมาเหมือนฝนบนท้องฟ้าเป็นสิ่งที่ต้องหาทำมาหากินด้วยหยาดเหงือ่อด้วยกำนำนำสติปัญญาเมื่อหามาแทบเป็นแทบตายแล้วก็เอาไปใช้พอใช้หมดก็ต้องหาอีกก็ต้องหามันอยู่ล่ื่มไปอย่างนี้มันจะเป็นความสุขได้อย่างไรมันมีแต่ความทุกข์เพราะต้องมีการตอ่อสู้มีการดิ้นรนทุรนทุรายอยู่ตลอดเวลา แล้วถ้าไม่ระมัดอะวังก็ยังต้องไปเสี่ยงต่อศีลธรรมเพราะเมื่อมมีความต้องการที่จะต้องใช้เงินอย่างรีบด่วนบางทีหามาได้ด้วยความสุจริตไม่ได้ก็ต้องหาด้วยวิธีทุจริตบางทีก็ไปขายยาบ้าบางทีก็ไปขายเนื้อขายตัวบางทีก็ไปรักขโมยไปทําคอลักชั่นต่างๆเหล่านี้ยิ่งส่งให้เกิดความทุกข์มีทวีคูณเพิ่มขึ้นมาเอกในใจ พอะเมื่อทำความผิดแล้วในใจก็จะต้องมีความว้าวุ่นขุ่นบัวมีความหวาดวิตกมีความกังวลกลัวว่าจะต้องถูกจกับกลัวว่าจะต้องถูกท ำ, ทำโทษนั่นเองและนอกจากนั้นแล้วหลังจากที่ตายไปกรรมต่างๆที่ทำหลังนี้ยังจะต้องมีผลตามมาอีกแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรมเป็นพระอริยเจ้าก็ต้องไปเป็นเปรตเป็นอสูรกายเป็นสัตว์นรก เป็นเดราจฉานนี่เพราะว่าไปก่อกรรมทำเวรไว้ทำผิดศีลผิดธรรมแล้วจะต้องไปเกิดในที่เหล่านั้นนี่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้เห็นจึงมาคอยเตือนบอกพวกเราว่าอย่าไปทำบาปทำกรรมเป็นอันการอย่างวันนี้พวกเราก็ได้มาสมาทานศีลกันศีลห้าศีล8ดศีลอุโบสถนี่ก็เป็นเหมือนกับตาข่าย ที่จะ ก, กั้นไม่ให้เราตกลงไปสู่ที่ต่ำถ้าเราอยู่ที่สูงเราเดินอยู่ที่สูงแล้วไม่มีตาข่ายคอยรองรับไว้เวลาตกลงมามันก็ต้องตกลงไปกระแทกกับพื้นก็ต้องเจ็บปวดรวดร่วราวแต่ถ้ามีตาข่ายรองรับอยู่มันก็ปลอดภัยฉันใดผู้ที่ได้สมาทานศีลห้าเป็นอย่า ง, างต่ำ คือรักษาศีลห้ายอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องแล้วรับรองได้ว่าไม่จะเมื่อตายไปแล้วจะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกอย่างแน่นอนดังในบทที่ได้ได้กล่าวไว้ในท้ายของศีลว่าซีเลนะสุกติยันติศีลเป็นเหตุที่นาไปสู่สุกติสุกติก็คือภูมิของมนุษย์ของเทพของพรหมของพระอริยเจ้าทั้งหลาย สิ่งเหล่านี้พวกเราฟังแล้วก็อาจจะคิดว่าเป็นของเล่นเป็นของหลอกกันก็เป็นได้แต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนเล่นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนโกหกหลอกลวงพระพุทธเจ้าเป็นคนจริงทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความจริงใจศึกษาปฏิบัติก็ได้ศึกษาปฏิบัติ ด, ด้วยความจริงใจบรรลุธรรมก็เห็นธรรมอย่างจริงใจเห็นอย่างไม่มี ข้อสงสัยหลงเหลืออยู่ในพระทัยของท่านเลยจึงได้นำมาสั่งสอนพวกเราพวกเราผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อแล้วก็มีปัญญาที่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นล้วนเป็นความจริงเราก็ไม่ควรจะตั้งอยู่ในความปำบาควรที่จะรักษาสีนี้ไว้ให้ดีในเบื้องต้น แต่รักษาศีลอย่างเดียวนี้ยังไม่พอเพราะศีล น, นี้ไม่สามารถเข้าไปกำจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจได้สิ่งที่จะกำจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจได้นั้นต้องอาศัยการบําเพ็ญจิตภาวนาคือเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาเท่านั้นถึงจะสามารถกำจัดกิเลสตัณหา โมองหาอาวิชชาที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้เหมือนกับคราบสกปรกต่างๆที่มีอยู่ในเสื้อผ้าจะไม่สามารถกำจัดได้โดยน้ำเปล่าเราต้องอาศัยผงซักฟอกชนิดที่เข้มข้นเอาเข้าไปใส่เข้าไปเพื่อที่จะได้เพื่อที่จะได้ไปสกัดหรือว่าไปละลายคราบต่างๆ ที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าให้หลุดออกมาฉันใดการบำเพ็ญจิตภาวนาการปฏิบัติธรรมมีการนั่งสมาธิเดินจมกลมเจริญไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาล้วนเป็นวิธีการเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจด แต่การมีศีลในเบื้องต้นนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะศีลเป็นเครื่องสนับสนุนให้การเจริญบำเพ็ญจิตตภาวนานั้นเป็นไปได้ด้วยความง่ายดายนั่นเองเปรียบเหมือนกับการซักเสื้อผ้าถ้ามีเสื้อผ้ามีผงซักฟอกแต่ไม่มีน้ําก็ไม่สามารถที่จะทําให้ผงซักฟอกนั้นทําหน้าที่กําจัดคราบของเสื้อผ้าอยู่ได้ ต้องอาศัยน้ำเข้าไปละลายผงซักฟอกนั้นเสียก่อนแล้วผงซักฟอนั้นจะได้ซึมซับเข้าไปในเสื้อผ้าเพื่อที่จะได้กําจัดคราบสกปรกต่างๆที่มีอยู่ในเสื้อผ้านั้นให้หลุดออกไปจากเสื้อผ้าฉันใดสินี่ก็เป็นเหมือนกับน้าที่จําเป็นต่อต่อผงซักฟอคือสมาธิและปัญญา หรือวิปัสนาจะต้องมีควบคู่กันไปต้องมีน้ำต้องมีผงซักฟอกจึงจะสามารถกําจัดคราบสปกปรกที่มีอยู่ในในเสื้อผ้าหรืออยู่ในใจได้แต่ถ้าเอาไปผสมกันแล้วแล้ววางไว้เฉยเฉยไม่ขยี้ไม่ไปซักมันก็ยังไม่หลุดอยู่เช่นกันก็ยังต้องมีวิริยะ ความอุตสาหะความภาคเพียรคือมีศีลแล้วมีสมาธิแล้วมีปัญญาแล้วแต่ไม่นำมาปฏิบัติไม่นำมาใช้ไม่นำมาแก้ไขปัญหาเ<ใ>ช่นเรามีปัญญาเราเห็นแล้วรู้แล้วว่าการเสดสุลยาเ่านี้มีแต่โทษไม่มีคุณอยู่เลยแต่ไม่เอามาปฏิบัติก็ยังกินเหล้าเมายาอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์ ต้องมีวิริยะความภาคเพียรที่จะต้องต่อสู้กับความอยากสุราเมื่อเรารู้แล้วว่าสุรามนอะไรเป็นของไม่ดีเจเ็บก็ไปแล้วมีแต่จะพังมีแต่จะเสียหายอย่างเดียวเราก็ต้องฝืนทุกครั้งที่มีความอยากที่จะหยิบขวดสุรามาดื่มก็ต้องตัดแขนตัดมือไปเสียด้วยปัญญาตัดกิเลสเสียด้วยปัญญา ด้วยความอุตสาหะภาคเพียงต่อสู้กับความอยากนั้นถ้าเราไม่ต่อสู้กับความอยากต่อให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแต่เราไม่นำมาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกิเลสตัณหามันก็ยังมีเหลืออยู่ภายในใจของเราเหมือนกับคราบสกปรกที่มีติดอยู่กับเสื้อผ้าถึงแม้เราจะมีน้ามีผงซักฟอกแต่เราไม่ไปขยี้เราไม่ไปซัก เราไม่เอามาล้างชะล้างด้วยน้ำที่สะอาดอี ก, อกขั้นหนึ่งมันก็ยังติดอยู่กันอยู่ในนั้นอย่างนั้นแหละนะดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นเหตุที่ขัดขวางความสุขความเจริญที่แท้จริงเราก็ต้องกำจัดเหตุนั้นเหตุนั้นก็คือกิเลส ต, ตัณหาเราก็รู้แล้วว่าเครื่องมือหรือ วิธีที่จะกำจัดกิเลสตัณหาหนานั้นมีอะไรก็คือศีลสมาธิปัญญาเราก็รู้แล้วเราก็ต้องนำมาปฏิบัติด้วยความอุตสาหาวิริยะด้วยความภาคเพียนอดทนอดกลั้นทุกครั้งเวลาที่จะอยาก